พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่23สัตว์ตักานิบาตชุมนุงธรรมะที่มีเจข้อวักที่ไม่จัดเข้าในหมวดห0สบวักที่หนึ่งอัพยากะตะวักว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่พยากรตรัสตอบคำถามของภิกษุรูปหนึ่งถึงเหตุปัจจัยที่อริยาสา ว, วกผู้ได้สดับ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 ในเรื่องที่พระองค์ไม่ท่งพยากรตรัสแสดงคติของบุรุษเจ็และอนุปาทาปาริณิพานคือดับกิเลสยังไม่มีเชื้อกิเลสเหลือคือพระอนาคามีประเภทอันตราปริณิพายีสอุปหัดจปริณิพายีหนึ่งอสังคาระปรินิพายีหนึ่งสังคาระปริณิพายีหนึ่ง ทั้งโศโตโอากานิทะคามีหนึ่งรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดและตรัสถึงพระอรหันต์พูดทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะว่าเป็นอนุปาทาปรินิพานคือดับกิเลสหมดไม่มีเหลือมีข้อน่าสังเกตคืออันตราปรินิพายีสามประเภทนั้น เปรียบเหมือนประกายไฟจากแผ่นเหล็กที่ถูกตีหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป 2. เกิดขึ้นลอยขึ้นไปแล้วดับ 3. เกิดขึ้นลอยขึ้นตกลงมายังไม่ถึงพื้นก็ดับไปพรหมชื่อติดศะกล่าวกับพระมหาโมคลานักว่าเทพที่มีญาณยังรู้ในผู้ยังมีกิเลสเหลือ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 ถูกความโกรธครอบงำแม้จะอาบน้ำลูบไล้ตัดผมโกนหนวดนุ่งผ้าขาวผิวพันก็สามสองศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรูให้นอนเป็นทุกคนมากโกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำแม้จะนอนบนบันลังมีเครื่องประดับงดงามก็นอนเป็นทุกสามศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรู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 แล้วตรัสเปรียบเทียบว่าอริยสาวกประกอบด้วยสัตยธรรมเจ็ดประการได้ฌานสีตามต้องการมารก็เอาชนะไม่ได้เหมือนกันคือมีศรัทธามีความละอายมีความเกรงกลัวต่อ บ, บาปสดับตรับฟังมากปรารบความเพียนมีสติมีปัญญา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 ในเรื่องคาระวะเจ็ที่ว่าเมื่อมีคาระวะข้อหนึ่งแล้วก็จะมีข้ออื่นๆต่อไปตรัสว่าภิกษุไม่ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งภาวนาการอบรมลำพังเกิดความปรารถนาจะให้จิตพ้นจากอาสวะย่อมพ้นไม่ได้เพราะไม่ได้อบรมธรรมะต่างๆในวงเล็บโพธิปัจกิยธรรม37ประการ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 ที่ไม่จัดเข้าในวัดตรัสว่าเพราะเหตุที่ทำลายธรรมะเจ็ดอย่างจึงชื่อว่าเป็นภิกษุคือสักายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุยึดถือกายของตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศิลพปะปรามาศการลูกคลำศีลและพถือโชคลางหรือติดลัทธิพธิธีราคะโทสะ